พระเจ้ากรุงชัตราวดีจึงทรงรัตนาพระสังฆเถระให้เป็นผู้ถวายโอวาทในรัศกุลเป็นประจำแต่พระเถระได้ถวายพระพรวา่ามหาบาพิษความเป็นผู้ใไร้ธรรมเป็นเหตุให้เจริญแท้แต่ธรรมาภาพขอให้เป็นว่าในการใดมหาบาพิษปรารถนาที่จะสดับธรรมและทรงราชบุตรไปรับในการนั้นอรตามาภาพ หรือพระสงค์รูปใดรูปหนึ่งจะเข้าไปสู่พระชมนเทียนเพื่อถวายพระธรรมเทศนาตามโอกาสมหาบอพิษที่อาตมาภาพถวายพระพรดังนี้ก็ด้วยเล็งเห็นเหตุสองประการคือในข้อแรกอัตามาภาพอาจจะริกไปในตำบลและชนบทเพื่อประโยชน์แก่มหาชนเป็นครั้งคราวหรือในบางโอกาสอาจจะริกไปยังรัชธานีอื่นๆแต่ก็จะได้มอบหมาย ให้ภิกษุอื่นทำหน้าที่เป็นพระสังฆเถระแทนในสังคารามโดยในยนี้ประโยชน์อันใหญ่ก็จะสำเร็จทั้งแจมหาบาพิษและแจมหาชนในประการที่สองการเข้าไปสู่ราชมลทียเป็นประจำนั้นในบางสมัยมีราชจิตไม่เหตุอย่างอื่นที่จะเสด็จมาสดับพระธรรมเทศนามิได้สะดวกก็อาจทำให้ทรงรู้สึกกังวลในการที่พระสง จะถวายพระธรร ม, มเทศนาเพราะฉะนั้นเมื่อจะทรงใช้ราชบุรุษไปนัดหมายหรือรัพระสงฆ์เข้าไปในพระราชสำนักย่อมหมายความว่าทรงว่างจากพระราชพารักอื่นๆแล้วมีพระราชประสงค์จะทรงพิจารณาตามพระธรร ม, มเทศนานั้นๆพร้อมอยู่แล้วมหาบอพิษ ข้ออื่นยังมีอีกสมเด็จพระบรมศาสดาทรงปาราบเหตุที่เคยเกิดขึ้นในกรุงสาบทีซึ่งพระเจ้าประสิทธิที่โกศลทรงรัตนาพระอนุทิระเข้าไปแสดงธรรมเป็นประจำในพระราชมทียนบางครั้งมีพระชกิจส่วนพระองค์บ้างบางครั้งไม่ทันตเตรียมพระองค์บ้างเกิดความไม่สะดวกขึ้นจึงทรงบัญญัติสิกขาบท ให้เข้าไปได้เฉพาะเมื่อได้ด้านหมายกันแล้วไม่ใช่เพียงว่าเมื่อตกลงว่าให้เข้าไปเป็นประจำก็อาจเข้าไปได้ทุกเวลาตามประสงค์นอกจากนั้นสมเด็จพระบรมศ า, ศาสดาทรงพิจารณาเห็นว่าสมณเพศนี้ไม่ต้องการชื่อเสียงเกียรติยศไม่ต้องการให้คุกคลีกับราชกุลซึ่งในทางโลกถือว่าเป็นที่มีสิริทาให้ผู้เข้าใกล้ชื่อว่า เป็นผู้มีเกียรติมีสีเป็นผู้อันคนทั้งหลายพึงมองดูด้วยความรู้สึกว่าผู้นี้มีความสําคัญพระราชากิงโปรโดให้เข้าเฝ้าเป็นประจำในทางธรรมสมเด็จพระบรมศาสดาทรงแสดงโทษสําหรับภิกษุผู้เข้าสู่ราชสกุลเป็นประจำไว้ถึงสิประราการมีความเป็นผู้อาจต้องสงสัยว่าทําความลับให้รั่วไหลบ้างอาจเป็นที่รังเกียจ ในเมื่อเพอเอินมีพระราชทรัพย์เช่นรัชนบ้างอาจเป็นที่ระแวงเกี่ยวกับสตรีในพระชนมนเทียนบ้างอาจเป็นที่สงสัยว่าเป็นผู้ยุพระราชาให้ส่งกองทัพไปให้สั่งกองทัพกลับเป็นต้นอาจถูกตำหนิว่าประจบคลุกคลีกับรัสกุลบ้างการที่ทรงบัญญัติทั้งนี้มิใช่รังเกียดรัศกุลแต่เพื่อความสะดวกแห่งรัศกุลเอง และเพื่อความเหมาะสมของเพศบรรพชิตเป็นประมาณมหาบอพิษสมเด็จพระบรมศาสดามีพระประสงค์ให้บรรพชิตไม่ติดในสกุลไม่เข้าคลีด้วยสกุลจึงทรงสั่งสอนให้พิสุทิ์ทั้งหลายทำตัวเหมือนดวงจันทร์เข้าสู่สกุลธรรมดาว่าดวงจันทร์ ย่อมโครจรไปตามจักรราศีและส่องแสงสว่างไม่แวะเวียนติดข้องอยู่ในที่นั้นๆภิกษุจึงควรเข้าสู่สกุลโดยปลี่กายออกห่างทาตนเป็นคนใหม่อยู่เนืองนิดทั้งนี้มิใช่เพราะว่าสกุลนั้นดีหรือชั่วหากเพื่อความเหมาะสมแก่สมณะสารูปนั่นเองมหาบอพิษเมื่อพระองค์ทรงทราบความมุ่งหมายในพระธรรมวินัยของสมเด็จพระบรมศาสดาอย่างนี้ก็เป็นการดี ที่จะได้ทรงทราบว่าภิกษุทั้งหลายจะต้องมีความเตรียมตัวในการติดต่อกับสกุลอยู่เนืองนิดเป็นการปฏิบัติตามแบบแผนอันดีที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงวางไว้บางครั้งพระบรมศาสดาก็ทรงใช้คำว่าอย่าชูงวงเข้าสู่สกุลเพื่อไม่ให้มีข้อกระทบกระชั่งอันจะทำให้จิตใจไม่เป็นปกติ เมื่อกษัตริย์แห่งชตราวดีได้สดับดังนั้นก็เพิ่มพระศรัทธาประสาทะยิ่งขึ้นจึงทรงอนุวัตตามที่พระสังฆเทราถวายพระพรในเรื่องการรับรัสนาเพื่อแสดงธรรมในราชกุลนั้นทุกประการกล่าวถึงพระเจ้าสุรเสนาะแห่งอโยธยาเมื่อทรงทราบว่าพระราชาแห่งชตราวดีได้ปฏิญญาณพระองค์เป็นอุบาสกถึงพระธนตรายเป็นสารณาตลอดชีวิตแล้ว ก็ทรงสมมนัตเป็นที่ยิ่งเมื่อทรงพิจารณาไปก็ทรงเห็นว่าสัมพันธมัตรีขณะ น, นี้ได้เป็นไปอย่างดีเลิศแต่ด้วยอาศัยสารานิยธรรมความเอื้อเฟื้อเกื้อกูลกันก็มีแต่ความสนิทสนมยิ่งขึ้นบัดนี้กษัตริย์แห่งจัตรารวดีซึ่งมีฐานะเป็นพระเจ้าอาแห่งกษัตริย์กัมพิละประกาศพระองค์เป็นพุทธมามากะอีกเล่าจึงเป็นช่องทางอัรประเสริฐ ที่จะหาหนทางส่งเสริมสามัคคีธรรมระหว่างสามพระนครให้ถึงขนาดอันหนึ่งเมื่อเสร็จสงครามระหว่างพระเจ้ากรุงกัมพิละองค์ก่อนกับอยุธยาพระองค์ก็เคยส่งทูตถวายเครื่องบรรณาการไปเป็นไมตรีครั้งที่หนึ่งแล้วในคราวนี้ได้ส่งทูตไปอีกพร้อมทั้งทูลเชิญเสด็จกษัตริย์ทั้งสองแห่งกัมพิละและชตราวดีมาเยือนอยุธยาด้วย ก็จะเป็นทางให้ได้ปรึกษากันส่งเสริมความเจริญรุ่งเรืองทั้งภายนอกอันเป็นวัตถุและภายในกล่าวคือคุณธรรมยังธรรมเสนาของสมเด็จพระบรมศารสดาให้แผ่ไปในทิศนั้ น, น, นเพื่อประโยชน์และความสุขแก่มหาชนยิ่งขึ้นทรงมีพระราชธรอยริยนั้นแล้วก็ทรงปรึกษากับทนยะพระราชบิดาเห็นพ้องกันแล้วจึงให้จัดเครื่องราชบรรณาการแต่งพระราชสารเชิญกษัตริย์ทั้งสองพระนคร เพื่อเสด็จมาสู่อยยธยาโดยให้ทูตสองคณะแยกทางกันเดินทางไปโดยด่วนความดีและความชั่วนั้นย่อมเป็นเสมือนเสียงสะท้อนในที่แวดวงด้วยผูกเขาพูดถ้ายคำอะไรออกไปเสียงนั้นก็กลับมาอีกสองกษัตริย์ทรงชื่นชมสมณนัตในใบตรีจากพระเจ้าสุรเสนะจึงต่อพระราชสารรับเชิญเสด็จมาอายยธยาตามกำหนดนัด การเตรียมรับรองพระมหากษัตริย์สองพระนครพร้อมๆกันเป็นงานใหญ่แต่เมื่อนึกถึงว่าการลงทุนสร้างสันติด้วยการจัดงานเพียงนี้ย่อมเทียบกันไม่ได้เลยกับความเสียหายย่อยยับอันจะพึงเกิดขึ้นจากสงครามก็ทำให้เห็นว่าเป็นการเสียน้อยซึ่งมีผลส่งไปถึงมหาชนสามวันแควนอย่างน่าพึงใจ เมื่อถึงวันกำหนดนัดกษัตริย์ทั้งสองพระนครซึ่งแยกเดินทางมาแต่ราชธานีแข่งตนก็มาถึงเขตนอกอายุทยาพร้อมด้วยราชบริพานและขบวนเสด็จอันมโหฬารพระเจ้าสุรเสนเสด็จออกไปรับนำเข้ามาพำนักในพระมหานครด้วยขบวนแห่ถวายพระเกียรติยศอย่างดียิ่งอายุทยามหานครซึ่งสมัยหนึ่งเคยร่วงโรย แต่เพียงเวลาไม่กี่ปีที่พระเจ้าสุรเสนาทรงปกครองก็ได้มีการแก้ไขตกแต่งให้งดงามดั่งนครในความฝันมีถนนหนทางสะอาดกว้างใหญ่มีตรอกซอยอันเรียบร้อยไม่รุงรังมีสถานอันจัดไว้เป็นประเภทประเภทเป็นย่านร้านค้าเป็นที่อยู่อาศัยเป็นอุทยานเป็นบ้านพักของคนงานมีไม้ดอกไม้ผลปลูกไวสองข้างมักคาร่มรื่นมีคูคลอง อันได้ตกแต่งบริเวณไว้อย่างน่าดูมีทางเดินเรียบคูคลองมีสนามหญ้ามีสะพานมีน้ำใสไหลเอื่อยมาแต่ภูเขาผ่านลำธารและคูคลองต่างๆแล้วไปลงลำน้ำสรยูกองทหารและขราชบริพานของทั้งสองพระนครตื่นตาตื่นใจในความงดงามมีระเบียบและความน่าอยูดน่าพ่ำนักของอยุทยาในถนนสายต่างๆมีผู้คนไปมาคับข้าง และคนส่วนมากมีใบหน้าร่าเริงยิ้มแยม้มมีย่านพักเกวียนของคนค้าต่างเมืองมีร้านผ้าร้านเครื่องหอมเครื่องเทศเครื่องจักรสารเครื่องเหล็กมีร้านค้าผลไม้และของสดตลอดจนของใช้เบ็ดเตรต็ดรวมทั้งร้านอาหารอันจัดไว้เป็นหมวดหมู่อย่างมีระเบียบในยามวิการสิ้นแสงตะวันก็สว่างด้วยคมไฟประทิมน้ำมันและคบใต้มหาชนก็เดินเที่ยวเตรไปมา เป็นที่บันเทิงจิตพระมหากษัตริย์แห่งสองพระนครก็เพลินใจในการเสด็จชมความงามความมีระเบียบแห่งอโยธยายิ่งกว่าข้าราชบริพารทั้งนี้เพราะข้าราชบริพารทั้งหลายย่อมสนใจเพียงสิ่งที่ปรากฏเฉพาะหน้าส่วนใหญ่ไม่ได้คิดไปถึงว่าจะจัดอย่างไรจะสร้างอย่างไรส่วนพระมหากษัตริย์ทั้งสองพระองค์ผู้กาลังตั้งพระชรัไทย จะจัดการในรัชธานีของพระองค์ให้รุ่งเรืองยิ่งขึ้นบางครั้งเพียงทอดพระเนตรการจัดอุทยานการตกแต่งคูคลองและปลูกต้นไม้ให้มีระเบียบก็เพื่อเพลินและชมอยู่เป็นเวลานานเพื่อตรัสถามเรื่องราวต่างๆด้วยความสนพระยัยอันหนึ่งวิธีการนำน้ำมาจากภูเขาเพื่อมีใช้ในพระมาณครก็เป็นที่พอพระชะรไทยเป็นอันมาก พระเจ้าสุรเสนะถวายการปฏิสันฐานแด่สองกษัตริย์อย่างดียิ่งและได้มีโอกาสประชุมปรึกษากันเพื่อทำนุบำรุงบ้านเมืองให้สงบสุขจเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นรวมทั้งการประสานสามัคคีร่วมมือกันระหว่างพระนครทั้งสามให้เป็นเสมือนหนึ่งนครแห่งยาหัดอันสนิทนอกจากนั้นยังได้พิจารณาส่งเสริมความจเจริญทาง จ, จิตใจแห่งมหาชนด้วยการเทิดทูนพระพุทธศาสนา มีการเสด็จร่วมกันเพื่อเยี่ยมสังฆารามนอกประตูเมืองและถวายนมัม ก, การพระเทระผู้มาประจำสั่งสอนอยู่ในที่นั้ น, น, นอันหนึ่งได้มีการตกลงกันระหว่างกษัตริย์ทั้งสามพระองค์ที่จะอาศัยหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาในเรื่องชักชวนขอร้องและจัดระเบียบให้บุคคลที่ถือกันว่าเป็นทาสและกรรมกรได้มีความพาสูง ข, ขึ้นโดยถ้อยทีถ้อยอาศัยนั้นคือ ส่งเสริมให้ผู้เป็นนายจ้างจัดงานให้ทำแต่พอควรแจกกำลังให้มีหยุดพักและหยุดงานในสมัยอันควรถ้าจะให้เลิกการนำคนเป็นทาสได้โดยวิธีไรก็ควรหาทางทำให้หมดไปนอกจากนั้นการเคร่งรัดรังเกียจกันในเรื่องคนต่างสกุลต่างชั้นวรณะเมื่อมีทางผ่อนให้เบาลงไปได้ก็ควรขจัดให้ลดน้อยลงและให้มีเหลือเพียงวรณะเดียวคือ วันนะมนุษยชาติและถือหลักธรรมเป็นเครื่องตัดสินคนว่าดีเลวโดยความประพฤติ ย, ยังไม่ทันที่กษัตริย์ทั้งสองจะเดินทางจากไปอโยธยาก็ได้ข่าวอันพึงโศกสลดเป็นข่าวที่พระเจ้าสุรเสนและทนิยะเมื่อได้ทราบถึงกับตะลึงด้วยความตกพระทยัยนั้นคือข่าว ปรินิพพานแห่งพระสารีบุตรเทราเจ้าผู้ได้ชื่อว่าเป็นแม่ทัพแห่งพระพุทธศาสนาพระเจ้าสุรเสนะและธนิยะยังทรงรำเรึกได้ดีถึงกริยาอันสำรวมเรียบร้อยวาจาอลมุลละไมท่ทำตนไม่ก้าวร้าวตลอดจนการรู้จักพูดให้อีกฝ่ายหนึ่งมีน้ำใจเมื่อพ่ายแพ้ในวาทะระหว่างที่ได้เห็นการโต้อตอบของท่านกับนาง ชมพุปริภาชิกาหรืออีกในยันหนึ่งพระเทรีนามว่ากุณทนเจสีผู้ได้อุปสมบทเป็นพิกสุนีไปแล้วข่าวนั้นแจ้งด้วยว่าบัดนี้สมเด็จพระบรมศาสดาเสด็จออกจากพระเชตวนารามไปแล้วพระเจ้าสุรเสนณและทนิยะรำลึกถึงพระพุทธวาดเมื่อวันไปกราบถวายบังคมลาพระผู้มีพระภาคเจ้าซึ่งตรัสว่า อาจจะเป็นการพบกันครั้งสุดท้ายเพราะธรรมเสนาของพระองค์ก็แผ่ไปในคามณิคมชนบทราชษถานีน้อยใหญ่กว้างขวางแล้วอายุและวัยของพระองค์ก็ล่วงมาแล้วไม่ใช่น้อยเมื่อได้วางรากฐานแห่งธรรมเสนาลงเป็นปึกแผ่นแล้วถ้าสงล่วงไปก็เป็นหน้าที่ของผู้อยู่เบื้องหลังที่เห็นชอบร่วมกันในการเผยแผ่ความสงบ จะพึงช่วยกันรับภาราสืบแทนไปโดยลำดับพระเจ้าสุรเสนาสงนึกไกลออกไปถึงว่าเมื่อสิ้นพระสารีบุตรเจ้าเช่นนี้ต่อไปเมื่อสิ้นสมเด็จพระบรมศาสดาด้วยโลกก็จะขาดของมีค่าทางจิตใจอย่างสุดประมาณมีข่าวเปล่าประกาศมาจากสังคารามใหญ่นอกเมืองว่าบัดนี้มีพระเิระผู้ใหญ่รูปหนึ่ง เดินทางมาจากเชตวนารามกรุงสาบทีเป็นผู้รู้เรื่องปรินิพานและรู้ประวัติของพระสารีบุตรเทรเจ้าดียิ่งท่านจะกล่าวกาถาพระนาประวัติและข่าวปริธิพานของพระธรรมสนาบดีแม่ทัพธรรมแห่งพระพุทธศาสนาในเวลาตะบันบ่ายของวันรุ่งขึ้นทางสังคารามจะได้จัดที่ไวให้มหาชนได้สดับโดยทั่วกันเป็นพิเศษ พระเจ้าสุรเสนาทรงเชิญกษัตริย์ทั้งสองพระนครให้เสด็จไปณสังขารามร่วมกันในวันพรุ่งซึ่งทนิยะก็เสด็จไปด้วยครั้นเวลาบ่ายเงาไม้ทอดยาวจากทิศประจิมไปทางบูรพาและมีลมโชยมาแล้วพระราชาทั้งสามพระนครพร้อมด้วยมหาชนชาวอายุธยาก็ไปถึงบริเวณสังขารามเพื่อสดับกถา แห่งพระเถระผู้มาจากเชตวนารามต่างถวายนมัสการแล้วนั่งที่สมควรแจตนการเสด็จของพระราชาทั้งสามมีราชาบริพารร่วมไปด้วยไม่ได้กระทาเป็นขบวนประกอบด้วยราชอิสริยยศทั้งนี้เป็นพระชจ้ประสงค์ร่วมกันเพื่อทรงเปิดโอกาสให้ชนทั้งหลายได้ไปร่วมสดับฟังโดยสะดวกในโอกาสอันพึงสล ด, ดสังเวทนี้